พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมีอยู่มากมายคือมีถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมะขันที่ได้มีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกถึงแม้จะมีมากมายขนาดไหนก็มีสาระเรื่อง เดียวเท่านั้นเหมือนกับน้ำในมาหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ไพศาลก็มีรถอยู่รถเดียวคือรถของความเข้มฉันใดพระธรรมคำสอนของพระพทะเจ้าที่มีอยู่มากมายถึง8ปด0สี่พันพระธรรมขันธ์ก็มีอยู่เรื่องเดียว ก็คือเรื่องของความทุกข์เรื่องของเหตุของความทุกข์เรื่องของการพ้นทุกข์และเรื่องของการวิธีการดับหรือพ้นทุกข์เท่านั้นที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมดนี้ทรงแสดงแต่เรื่องของความทุกข์เหล่านี้ทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรที่จะมี โทษต่อจิตใจของพวกเรามากไปยิ่งกว่าความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราและไม่มีอะไรเป็นคุณมากเท่ากับการพ้นทุกข์มากเท่ากับการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไป พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงส่งมุ่งไปที่การปฏิบัติเพื่อการดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจพอเมื่อความทุกข์หมดไปใจก็จะมีแต่ความสุขนะเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรคำสอน ต่างๆจึงสอนไปที่การดับความทุกข์นี่เองผู้ที่มาฟังก็ผู้ที่มาศึกษาก็ควรที่จะทำความเข้าใจว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเพราะ ผลที่ได้จากการดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจก็คือการความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรที่เราเรียกว่าพระนิพพานนี่เองนิบานังปลาละมังสุ ข, ขงังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพาน คือการดับของความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเรานั่นเองเมื่อใจของเราไม่มีความทุกข์ใจของเราก็ถึงนิพพานนิพพานก็คือที่ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเหรือนกับที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้ พวกเราอย่างท่องเที่ยวอยู่ในสารสารสงสารวัตตะสงสารยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตสังสารวัตก็คือไตพบนี่เองในแก่การมาพบรูปพบและอารมุปพบกามาพบก็คือพบของสัตว์โลกที่ยังเสกกรรมอยู่ รู ป, ประพบก็คือพบสาหรับผู้ที่ได้บรรลุรูปฌานอารู ป, ประพบก็คือพบสาหรับผู้ที่ได้บรรลุอารูปฌานแต่ก็เป็นพบที่มีการเสื่อมมีการหมดไ ป, ไปถึงพบไหนได้อยู่ที่นั่น ชั่วระยะหนึ่งแล้วพอเหตุที่ทำให้ไปถึงพบนั้นหมดไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาทำบุญทำบาปใหม่แล้วพอตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปในใจพบนี้ใหม่การมาพบก็เป็นที่อยู่ของ เทวดาของมนุษย์ของเดรัจฉานของเปรตของสัตว์นรกทั้งหลายเพราะเป็นผู้ที่ยังมีความต้องการที่จะเสกกรรมคือเสกรูปเสียงกลิ่นลดผุทพัอยู่แบ่งเป็นสองสีกที่เรียกว่าอบายกับสุขติสุขติก็คือที่ที่มี ความทุกข์น้อยกว่าความสุขอบายก็คือที่ที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขภพของเดรชาของเปรตของนรกนี่จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขส่วนภพของเทวดาของอินพรมนี่จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ภพของมนุษย์ก็เป็นภพกลางกลาง มีสุขมีทุกข์คุกเท้ากันไปนี่คือการที่ยังไม่ได้ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจก็ยังจะต้องมีการมาเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปแต่ถ้าสามารถดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ทำให้ใจไปถึงพระนิพพานได้ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอีกต่อไปการที่เราจะไปนิพพานกันได้การที่เราจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้ได้ เราต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้พาไปต้องมีพระพุทธเจ้าก็ดีหรือมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือมีพระอาหารหันตาสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าก็ดีถ้ามีองค์ใดองค์หนึ่งในสามองค์นี้คือทาระตะนาใจถ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอน ก็จะสามารถพาให้เราไปถึงพระนิพพานได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแต่มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้จดจาว่าเอาไว้เช่นในพระไตรปิฎกถ้าศึกษาแล้วเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้ก็จะไปถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกัน ถ้าหรือไม่เช่นนั้นถ้า ไ, ได้ไปพบกับพระอาหารตสาวกคทั้งหลายท่านก็จะสอนให้เราไปถึงพระนิพพานได้ให้เราหลุดพ้นจากสังสารวัฏวัตตะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้ก็อย่าไปหวังที่จะหลุดพ้น ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่ได้เลยต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านเป็นผู้รู้ทางท่านเป็นผู้ที่ไปถึงแล้วคือพระนิพพานท่านรู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วถ้าได้พบท่านได้พบคําสอนของท่านเราก็จะสามารถ รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อีกต่อไปดังนั้นเมื่อเราได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ พระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจารึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกก็ดีหรือพระธรรมคำสอนของพระอาหารหันตสาบกทั้งหลายก็ดีสิ่งที่เราควรที่จะมีก็คือมีศรัทธาความเชื่อเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อในคำสั่งสอนของพระอาหารหันตสาวุกเพราะว่าเมื่อเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะได้มีอิทธิบาสีอิทธิบาสีก็คือทำที่จะทำให้เราบรรลุถึงผลต่างๆที่เราต้องการได้ถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าจะนำพาเราไปสู่พระนิพพานได้ถ้าเรามีความเชื่อเราก็จะเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขึ้นมาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่คืออิทธิบาทสี่อิทธิแปลว่าความสำเร็จหรือความยิ่งใหญ่บาทก็คือทางสู่ ทางสู่ความยิ่งใหญ่อิทธิบาทคือทางสู่ความยิ่งใหญ่มีสี่ประการด้วยกันที่จะเกิดถ้ามีศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อจิตใจของเรามาก เพราะตอนนี้จิตใจของเรานี้ทุกข์เหลือเกินทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์แบบไม่รู้จักจบพอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่ามีวิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดสิ้นไปก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อว่าเป็นสิเป็นจริงคาสอนนี้เป็นจริง ถ้าปฏิบัติตามแล้วจะได้ผลจริงรได้หลุดพ้นจริงก็จะทำให้เกิดมีฉันทะความยินดีความยินดีที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมีความยินดีแล้วแล้วก็จะมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรความพยายาม ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จจะอยู่ที่นั่นการที่เราจะไปถึงพระนิพพานได้เราต้องมีความยินดีต่อการปฏิบัติที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานพอเรามีความยินดีที่จะปฏิบัติเราก็จะมีความขยันมีความพยายามที่จะปฏิบัติเวลาเรามีความยินดีกับสิ่งใด เราจะรู้สึกว่าการกระทำเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมานี้มันเป็นของที่ง่ายมากถ้าเราไม่มีความยินดีเราจะรู้สึกว่ามันยากไม่อยากทำนั่นเองแต่ถ้าเรามีความยินดีแล้วเราจะอยากทำขึ้นมาเองอยากจะมีความพยายามที่จะปฏิบัติที่จะกระทำให้เกิดผลขึ้นมาแล้ว พอเรามีฉันทะมีวิริยะเราก็จะมีจิตตะคือจิตใจที่จอ่อจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจจะไม่ไปที่อื่นจะจดจ่ออยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าจะจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียว แล้วเราก็จะมีวิมังสาคือความคิดไข้ควรจะคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติศึกษาเรื่องของการปฏิบัติเท่านั้นจะไม่สนใจที่จะศึกษาวิชาอื่นไม่สนใจที่จะไปศึกษาวิชาทางโลกวิชาหาเงินหาทองวิชาทําอะไรต่างๆในโลกนี้จะไม่สนใจ วิมังสานี้จะคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเรามีกุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะนำไปสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ก็เกิดจากศรัทธาความเชื่อ ศรัทธานี้ก็เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เองถ้าเรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนเราก็ไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรเราก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าเราได้ยินได้ฟังเราก็จะได้ยินถึงเรื่องของความทุกข์ เรื่องของเหตุของความทุกข์เรื่องของการดับของทุกข์และเรื่องของวิธีการที่จะทำให้ทุกข์นี้ดับไปพอเราได้ยินได้ฟังเราก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเพราะเราก็เป็นเหมือนคนไข้นี่เองคนที่เจ็บไข้ด้วยป่วยแล้วก็ไปหาหมอต่างๆให้รักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่ ไปหาหมอตีหมอก็ไม่มีหมอคนไหนสามารถรักษาโรคที่เราเป็นอยู่นี่ได้จนเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดรับรองว่าโรคนี้เราจะรักษาให้หายได้อย่างแน่นอนเพราะเราเคยเป็นมาแล้วเราได้รักษาให้หายแล้ว แล้วมีคนไข้ที่เป็นโรคแบบนี้มาก็เหมือนเหมือนเธอนี้มาหาเราแล้วแล้วเราก็รักษาให้เขาหายได้แล้วก็คือพระอาหารหันตาสาวุกทั้งหลายนี้เองก่อนที่ท่านจะเป็นพระอาหารหันตาสาวุกท่านก็เป็นเหมือนพวกเรานี่เองเป็นพวกที่ยังมีความทุกข์ต่างๆอยู่ภายในใจเป็นพวกที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏตะ ในตายพบตายภูมินีอยู่แต่พอได้มาศึกษากับพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเขาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากสังสารวัฏตะได้แล้วเขานี่แหละเป็นผู้ที่จะไปทางานที่ ให้พระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าต่อไปหรือช่วยเหลือพระพุทธเจ้าทําหน้าทีใ่ในขณะที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่ก็มีพระอรหันตาสาวกเหล่านี้ที่ช่วยเผยแผ่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางทาให้ช่วยบุคคลที่มีความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันเป็นจํานวนมากมาย แลนะทำให้เขาได้กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาทําให้เขาสามารถไปช่วยผู้อื่นได้อีกเป็นทอดๆนี่คือการแผ่ขยายของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแผ่ด้วยการประกาศพระธรรมครําสอนคือการแสดงพระธรรมเทศนาะแสดงเรื่องของทุกข์เรื่องของเหตุของความทุกข์ เรื่องของการดับทุกข์และเรื่องของวิธีการที่จะทำให้ทุกข์ดับไปพอมีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมก็จะมีศรัทธามีฉันทะมีวิริยะจิตตวิมังสามีการปฏิบัติอย่างขมักขมแน่นอย่างเข้มข้นจที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย นี่คือเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรามาศึกษากันมาฟังกันฟังแล้วควรจะสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นมาฟังแล้วควรจะมีศรัทธาเพราะถ้ามีศรัทธาก็จะทำให้มีอิทธิบาทสีมีพลังที่จะทำให้ ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเชื่อว่าความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรานี้จะหมดไปได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะมีความยินดีที่จะปฏิบัติเหมือนคนไข้ที่ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ามียารักษาโรคนี้ เอาไปรับประทานเสียถ้ารับประทานแล้วรับรองว่าหายอย่างแน่นอนถ้าเราไปหาหมอแล้วหมอให้ยามาแล้วก็อยู่ที่เราว่าเราจะเชื่อหมอหรือไม่ถ้าเราเชื่อหมอเราก็รับประทานยาตามที่หมอสัง่งถ้าเราไม่เชื่อหมอเราก็ไม่รับประทานเพราะเราไม่เชื่อว่ารับประทานแล้วจะทำให้เราหายได้ เราก็จะไม่รับประทานถ้าเราไม่รับประทานเราก็จะไม่รู้ว่ายาที่หมอให้มานี้รักษาโรคได้หรือไม่ดังนั้นอย่างน้อยเมื่อเราไปหาหมอแล้วหมอให้ยามาแล้วสิ่งที่เราควรที่จะเชื่อก็คือเชื่อว่ายาที่หมอนี้ให้มานี้จะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราให้หายไปได้ ถ้าเราไม่ทดลองถ้าเราไม่เชื่อเราจะรู้ได้อย่างไรว่ายาที่หมอให้มานี้รักษาโาครคภัยไข้เจ็บของเราได้หรือไม่แต่ถ้าเราเชื่อแล้วเราลองมาเอามารับประทานลองรับประทานยาดะยาดู u, รับประทานไปแล้วเราก็จะรู้เองว่ายาที่หมอให้มานี้จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของเราได้หรือไม่ ถ้ารับประทานไปหมดแล้วโรคภัยไข้เจ็บไม่หายก็จะได้เลิกรับประทานจะได้ไม่ต้องรับประทานต่อไปถ้ารับประทานแล้วหายเราก็สบายไปดังนั้นเมื่อเราไปหาหมอแล้วถ้าเราไปปฏิเสธไม่เชื่อหมอเราก็อย่าไปเสียแต่ต้นลยไม่ดีกว่าไปแล้วเสียเวลาเปล่า มไปแล้วหมอให้ยามาแล้วก็ไม่รับประทานยาเราก็เลยไม่รู้ว่ายาที่หมอให้มานี้รักษาโาครคภัยไข้เจ็บของเราได้หรือไม่แต่ถ้าเราเชื่ออย่างน้อยเราก็จะได้พิสูจน์ว่ายาที่หมอให้มานี้รักษาโรคของเราได้หรือไม่ถ้าเราไม่ทดลองยาเราก็จะไม่รู้ว่าจะหายได้หรือไม่นั่นเอง อันใดคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจของพวกเราโรคใจก็คือความทุกข์ใจนี่เองความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราที่พวกเรายังมีกันอยู่ในตอนนี้มีมากมีน้อยลื้อยังไม่โผล่ขึ้นมาเพราะยังไม่ได้ติดเชื้อยังไม่ได้ไม่สบาย แต่มันจะต้องมีมาอย่างแน่นอนคือความทุกข์ใจนี้ถ้ายังไม่ทุกวันนี้ก็จะต้องทุกขในวันต่อไปเพราะว่าชีวิตของเรานี้กำลังเดินเข้าสู่ความทุกนั่นเองเรากำลังเดินเข้าหาความแก่เข้าหาความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าหาความตายด้วยกันทุกคนเข้าหาการพัดพรากจากกันถ้าเรายังไม่ได้เจอเหตุการณ์เหล่านี้ เราก็จะยังไม่มีความทุกข์และอาจจะทําให้เราหลงคิดว่าเรานี้ไม่มีความทุกข์ไม่เราจะไม่ต้องเจอความทุกข์เพราะตอนนี้เราไม่มีความทุกข์แต่เราไม่รู้ว่าตอนนี้เหตุการณ์มันไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เกิดความทุกข์นั่นเองมันต้องรอให้มีเหตุการณ์รอเวลาที่เจอความแก่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วย เจอความตายเวลานั้นแหละถึงจะเห็นความทุกโหคขึ้นมาแล้วเวลานั้นเราก็อยากจะหาหมอกันอยากจะหายากันเพื่อที่เราจะได้นาเอายาที่หมอให้มานี้มารักษาความทุกข์ใจมาดับความทุกข์ใจให้หมดไปเมื่อเรารับมาแล้วเราก็ต้องเชื่อว่าเป็นยาที่รักษาได้เราก็ นำยาที่ได้มานี้มารับประทานกันรับประทานแล้วก็จะรู้เองว่ารักษาได้หรือไม่รักษาได้ถ้าไม่รับประทานก็จะไม่รู้ดังนั้นหลังจากที่เราได้ฟังเทศฟังธรรมได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราควรจะเชื่อว่ายานี้รักษาดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้ เมื่อเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะได้น้อมนำเอามาปฏิบัติมารับประทานยาการปฏิบัติทำขั้นต่างๆนี้เป็นขั้นตอนของการรับประทานยาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำเป็นขั้นๆไปตามกำลังของเราผู้ที่เริ่มต้น ปฏิบัติทำท่านก็สอนให้ทำทานก่อนทำทานเพื่อดับความทุกข์ในระดับแรกๆในระดับที่ง่ายไปก่อนการทำทานนี้ง่ายแล้วก็ก้าวไปสู่ขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลการรักษาศีลก็จะดับความทุกข์ที่ยากขึ้นไปรักษาศีลห้าง่ายกว่าการรักษาศีลแปด อันต้นก็นรักษาศีห้าไ้ก่อนเมื่อรักษาศีห้าได้แล้วก็ขยับขึ้นสู่การรักษาศีแปเมื่อรักษาสีแปดได้แล้วก็จะทําให้เราดับความทุกข์ที่ภายในใจด้วยการทําใจให้สงบได้ถ้าเรายังรักษาศีแปดไม่ได้เราจะไม่มีเวลาจะไม่มีกําลังที่จะมา ดับความทุกข์ที่มีลึกเข้าไปในใจของเราที่ยากกว่าความทุกข์ที่ได้ได้ดับจากการรักษาศีลแปดรักษาศีลห้าจากการทาทานเราต้องขยับขึ้นไปเป็นขั้นๆจากขั้นง่ายไปสู่ขั้นที่ยากขึ้นไปเพราะความทุกข์มีหลายขนาดด้วยกัน ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดโตขนาดเล็กก็ดับง่ายหน่อยขนาดกลางก็ยากขึ้นไปหน่อยขนาดโตก็จะยิ่งยากขึ้นไปเราต้องเพิ่มขีดความสามารถของการปฏิบัติของเราให้มีเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับการเดินก็ขึ้นบันไดเราต้องขึ้นจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามเราจะไม่สามารถ ขึ้นจากขั้นศูนย์ไปสู่ขั้นที่ใช้ขั้นที่สามขั้นที่สี่ได้เลยเราต้องกลับขยับก้าวขึ้นไปทีละขั้นขั้นต้นท่านก็สอนให้เราเสียสละเงินทองการทำทานนี้ก็คือการเอาเงินทองที่เราจะไปใช้ในการสร้างความทุกนี้มาดับความทุกแทนการใช้เงินทองแบบไหนที่เรียกว่าเป็นการสร้างความทุก ก็คือการใช้เงินทองตามความอยากต่างๆนั่นเองการใช้เงินทองนี่เราสามารถใช้ได้สองทางใช้ไปในทางที่จะทำให้เกิดความทุกข์หรือใช้ไปในทางที่จะดับความทุกข์ทั้งทางร่างกายและทางใจทางร่างกายเราก็เอาเงินทองไปซื้อของที่ร่างกายต้องการเช่นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยการใช้เงินทองแบบนี้เป็นการดับความทุกข์ทางร่างกายส่วนการใช้เงินทองที่จะดับความทุกข์ทางใจก็คือเอาเงินทองที่เราจะเอาไปสร้างความทุกข์ทางใจนี้มาให้มาทำบุญทำทานให้แก่ผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางร่างกาย เชซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องนุ่งหม่มซื้อที่อยู่อาศัยอย่างที่ญาติโยมมาทำบุญที่วัดก็มาถวายปัจจัยสี่ให้แก่พระภิกษุสามนเณรอาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่งหม่มเพษัชยารักษาโรค ก, กุติที่อยู่อาศัยอันนี้จะจะทำให้เราดับความทุกข์ ของเราได้และสร้างความสุขขึ้นมาในขณะเดียวกันความทุกข์ความทุกข์กดับไปความสุขก็จะเกิดขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดจากเอาเงินไปซื้อของหรือไปทำอะไรตามความอยากต่างๆเช่นเอาไปเงินไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอันนี้เป็นการสร้างความทุกข์เพราะเหตุใดเพราะว่าเมื่อทำแล้วมันก็จะติดเหมือนกับติดยาเสพติด เวลาทำอะไรแล้วก็จะติดอยากจะทำอีกแล้วเวลาที่ไม่มีเงินจะทำก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาอยากจะไปเที่ยวแต่เงินหมดไม่เงินไม่พอเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่ได้ทำตามความอยากแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปใช้ตามความอยากนี้เอามาทำบุญทาทานแทน เราก็จะหยุดความอยากเที่ยวได้แล้วต่อไปเวลาเราไม่มีเงินเที่ยวเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือการทำทานเป้าหมายก็คือดับความทุกข์จากการที่เอาเงินไปใช้ในการสร้างความทุกข์นี่เองคือเอาเงินไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทชนิดต่างๆมาเสพ มันเป็นเหมือนกับการซื้อยาเสพติดไม่ใช่เหมือนกับการซื้ออาหารใจเรานี้ก็เหมือนร่างกายถ้าไปซื้อยาเสพติดมันก็จะติดแล้วมันก็จะทุกข์เวลามันไม่ได้เสพแต่ถ้าเอาไปซื้ออาหารใจก็จะอิ่มมีความสุขการใช้เงินไปกรัรกับการทำบุญทำทานนี้เรียกว่าเป็นการซื้ออาหารให้กับใจ ทำให้ใจมีความอิ่มเอิบมีความสุขไม่หิวกับการที่จะไปทําตามความอยากต่างๆนี่คือขั้นแรกของการดับความทุกข์ทางใจให้ดับด้วยการทําทานทําบุญถ้าเรามีเงินถ้าเราเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆเราต้องเปลี่ยนวิธีการใช้เงินให้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เอามาดับความทุกข์ใจเอาม า, ามสร้างความสุขทางใจความทุกข์กับความสุขทางใจนี้มันเหมือนกับเหรียญยที่อยู่คนละด้านถ้ามันหงายทางด้านทุกมันก็จะมีแต่ความทุกแต่ถ้ามันพลิกเอาทุกกับเอาสุขขึ้นมามันก็จะมีแต่ความสุขการหาความสุขที่แท้จริงนี้หาด้วยการดับความทุกข์ ไม่ได้หาจากการไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะการหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเป็นวิธีการหาความทุกข์มากกว่าเพราะสิ่งต่างๆที่เราหานี่หามาแล้วก็จะต้องมีวันหมดไปมีวันจากเราไปหรือหามาแล้วหรือว่าเราอยากได้แล้วแต่ไม่มีความสามารถที่จะหามาได้ก็จะทำให้เราทุกข์ใจ หรือถ้าร่างกายของเราไม่สามารถทำตามความอยากของเราได้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือวิธีการของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราเอามาใช้เอามาปฏิบัติกันเพื่อที่เราจะได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไป จากนั้นขั้นต้นถ้าเรายัางใช้เงินทำตามความอยากต่างๆเราต้องเปลี่ยนการใช้เงินแทนที่จะใช้ไปตามความอยากให้เอาไปใช้ในการทำบุญทำทานทำให้ผู้อื่นมีความสุขทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาเพราะจะทำให้เราไม่อยากไปทำอะไรต่างๆด้วยความอยากนั่นเอง พอเราทำขั้นที่หนึ่งได้เราก็จะมีกำลังที่จะขยับไปทำขั้นที่สองก็คือการไม่ทำบาปความอยากจะทำบาปเวลาเกิดความอยากจะทำบาปเราก็อยากทำเราถือศีลห้าอย่างนี้เราก็จะห้ามการกระทำบาปตามความอยากเพช่นอยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็บอกว่าทำไม่ได้ศีลบอกว่าห้ามไม่ให้ทำ อยากจะลักทรัพย์ของผู้อื่นอยากจะประพฤติผิดประเวณีอยากจะพูดปดอยากจะดื่มสุรายาเมาถ้าถือศีลห้าเราก็ทาไม่ได้เมื่อเราไม่ทำเราก็จะหยุดความความทุกข์ที่เกิดจากการทาบาปเหล่านี้ได้ความทุกข์ก็จะน้อยลงไปเพิ่มน้อยลงไปลดน้อยลงไป ความสุขภายในใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นตอนต้นก็ลดความทุกข์จากการใช้เงินทองตามความอยากและเพิ่มความสุขจากการนาเงินทองไปทำบุญขั้นที่สองก็ลดความทุกข์จากการทำบาปให้มันหมดไปแล้วก็เพิ่มความสุขจากการไม่กระทำบาปจากการรักษาศีลทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้น คนที่ทําทานได้คนที่รักษาศีลได้เป็นปกตินี้จะมีความสุขมากกับคนที่ไม่ทมําบุญทําทานกับคนที่ไม่รักษาศีลแล้วพอเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะมีกําลังที่จะขยับขึ้นไปสู่การรักษาศีลแปดต่อไปถ้าเรารักษาศีลแปดได้เราก็ยิ่งจะลดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ ให้น้อยลงไปมากขึ้นแล้วก็จะทําให้ความสุขภายในใจมีเพิ่มมากขึ้นเพราะการกระทําที่ขัดกับศีลแปดนี้เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขนั่นเองเช่นการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นอันนี้ในสายตาของทางโลกก็จะคิดว่าเป็นความสุขแต่มองไม่เห็นเวลาที่ ไม่สามารถที่จะร่วมหลับนอนกับผู้อื่นได้เช่นเวลาคู่ครองไม่อยู่จากเราไปเวลานั้นความสุขที่จะได้จากการร่วมหลับนอนกับเขาก็หายไปแล้วสิ่งที่มาแทนที่ก็คือความว้าเหวความเศร้าส้อยห่อยเหงาความทุกข์ใจอันนี้ถ้าเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะหักข้ามจิตใจของเรา ไม่ให้ไปอยากร่วมหลับนอนกับใครไม่อยากไม่ให้เราอยากไปร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราพอเราหักห้ามจิตใจได้เวลาที่เราไม่ได้อยู่กับคู่ครองเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรามีศีลแปดพยับคอยพยุงใจของเราไม่ให้อยากร่วมหลับนอนกับเขานั่นเองเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เราอยู่คนเดียว นี่คื อ, อวิธีการดับความทุกข์ต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนขั้นศีลแปดนี่ก็ต้องไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเพราะเป็นความทุกข์เวลาที่ไม่ได้ร่วมหลับนอนไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากเพราะจะทุกข์เวลาที่ไม่ได้รับประทานเมื่อเกิดความอยากขึ้นมารับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ ก็คือไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วก็พอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่รับประทานอาหารอีกแล้วก็ไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากการไปท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงส ถ, สถานมหัศลสถานที่มีมหรสพต่างๆดูภาพยนตร์ดูทีวีดูละครดูการร้องลําทําเพลง อะไรต่างๆเหล่านี้เพราะเป็นการกระทาที่เป็นเหมือนติดยาเสพติดนั่นเองเวลาไม่ได้ทำแล้วจะทุกข์เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายตายนี่ความสุขเหล่านี้จะไม่สามารถหาได้เมื่อไม่สามารถหาความสุขเหล่านี้ได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ใจนั่นเอง แต่ถ้าเราหักห้ามใจด้วยการรักษาศีลแปดได้ใจของเราก็จะไม่ทุกเวลาที่เราไม่ได้กระทำสิ่งเหล่านี้นั่นเองนี่คือขั้นตอนของการดับความทุกข์ตามขั้นตามความยากง่ายขั้นศีลแนี้ย่อมยากกว่าขั้นศีลห้าขั้นศีลห้านี้ก็ยากกว่าขั้นทาบุญทำทาน แต่เราสามารถที่จะขยับขึ้นไปได้ไดเรื่อยๆเหมือนกับการเรียนหนังสือตอนที่เราเริ่มต้นเรียนเราก็เรียนที่อนุบาลก่อนเพราะอนุบาลมันง่ายกว่าการเรียนชั้นประถมนั่นเองพอเราเข้าชั้นประถมได้จบชั้นประถมเราก็เข้าสู่ชั้นมัธยมได้พอเราจบชั้นมัธยมเราก็เข้าสู่ชั้นอุดมศึกษาได้ เพราะเรามีความสามารถเพิ่มขึ้นไปตามลําดับนั่นเองการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นการเพิ่มกําลังของเราให้ได้ให้ได้ปฏิบัติทำที่ยากขึ้นไปได้นั่นเองขั้นต้นก็ทําทานไปแล้วก็จะทําให้เรามีกําลังที่จะรักษาศีลห้าพอรักษาศีลห้าได้เราก็จะมีกําลังรักษาศีลแปด พอเรามีกำลังรักษาสิ้นแปเราก็จะมีกำลังที่จะมาหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้มาเจริญสติได้มาบริกรรมพุทโธพุทโธหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้พอเราหยุดความคิดปรุงแต่งได้จิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบพอจิตเข้าสู่ความสงบเราก็จะดับความทุกข์ได้อย่างเต็มร้อย เวลาจิตที่สงบนี้ความทุกข์จะไม่มีอยู่ในใจเลยแต่เป็นความดับของความทุกข์เพียงชั่วคราวในขณะที่จิตสงบขณะที่จิตสงบนี้ไม่มีความทุกข์เลยเหมือนได้ไปถึงพระนิพพานแล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นพระนิพพานชั่วคราวเท่านั้นเพราะกำลังของสติที่จะหยุด เหตุที่ทําให้ใจไม่สงบคือความคิดปรุงแต่งความอยากต่างๆนี้มันก็จะอ่อนกําลังลงพอเวลาสติอ่อนกําลังลงตัวที่จะทําให้จิตไม่สงบก็คือตันหาความอยากต่างๆมันก็จะดันใจให้ออกมาหารูปเสียงกลิ่นรส ด, ดันใจออกมาคิดปรุงแต่งอวิชชาปัจจญาสังขารา สังขารปัจญวียญาวิญญาณปัจจญาอายตกนณะเนี่ยเป็นการผลักดันของตันหาของอวิชชาตันหาโมหะอาวิชชาผลักดันให้เกิดตันหาตันหาผลักดันให้เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งพอมีความคิดปรุงแต่งก็ดึงใจให้ออกมาสู่รูปเสียงกลิ่นนั้นออกมาจากสมาธิ ออกมาลืมตาเพื่อดูรูปดมกลิ่นริ้มรถต่างๆอันนี้ก็ทำให้เกิดตัณหาความอยากพอเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราอยากที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์หลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องมาหยุดความอยากนี้ทำลายความอยากนี้สิ่งที่จะทำลายความอยากนี้ได้ก็คือ ธรรมะหรือปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบทมที่พระเจ้าได้ส่งตัดสรู้จะทำให้สามารถดับตันหาความอยากต่างๆได้สิ่งใดคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นที่พวกเราไม่รู้ไม่เห็นกันสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วทำให้พระองค์ดัดความอยากต่างๆได้ก็คือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ การเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่าเมื่อได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันพัดภาคจากกันไปมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมเวลาสิ่งที่เราได้มาเสื่อมไปมันก็ไม่สามารถให้ความสุขเหมือนกับตอนที่มันไม่เสื่อมได้เช่นเวลาได้เงินมาก็มีความสุขจากการได้เงินได้ใช้เงินพอใช้เงินหมดไป ความสุขที่ได้จากการใช้เงินก็หมดไปความทุกข์ที่อยากจะได้เงินก็จะโผล่ขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามองทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเจริญมีเสือ่อมมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงเป็นของชั่วคราวไม่แน่นอนไม่ถาวร อ, อย่าไปอยากได้มาได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเสียใจในภายหลัง แล้วเขาก็จะไม่อยู่กับเราเขาไม่ได้เป็นของเราเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้เขาอยู่กับเราได้ตลอดไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปลาบยศสะละเสริญความสุขทางตาหูจมูกลื้นกายหรือร่างกายของเรานี้ก็สักวันหนึ่งก็จะต้องมีวันจากเราไปเวลาที่เขาจากเราไปเวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นอย่าไปอยาก กับอะไรทั้งนั้นอย่าไปอยากกับลาบยศสารเสริญอย่าไปอยากกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันจะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้เกิดขึ้นถ้าไม่มีความอยากเวลาราบยศสารเสริญเวลารูปเสียงกลิ่นลดผลทพะเวลาตาหูจมูกนิ้นกายเสื่อมไปใจจะไม่ทุกข์กับมันะ ที่ทุกข์เพราะว่าไม่อยากให้มันเสือ่อมอยากให้มันอยู่ไปนานๆอยากให้ไม่แก่อยากให้ไม่เจ็บอยากให้ไม่ตายเจึงสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าเอาปัญญาที่พุทเจ้าได้ทรงตัดสรุนี้มาสอนใจมาระ ง, งับความอยากต่างๆได้ความทุกข์ภายในใจจะหายไปหมดอย่างถาวรจะไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไป และไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิเพื่อดับหรือหยุดความทุกข์ต่างๆเพราะเราได้กําจัดต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ถ้าเรามีอนิจจังทุกข้าอนัตตาอยู่คู่กับใจเราตลอดเวลาเวลาใจเราเกิดความอยากเราก็จะหยุดมันได้ทันทีพอหยุดความอยาก ความอยากเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นมาอีกต่อไปพอความอยากต่างๆโผล่ขึ้นมาแล้วเราใช้อนิจังทุกขังอนัตตาดับมันไปต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่เหมือนไฟต่างๆที่ไหม้อยู่ถ้าเราน้ำไปดับดับแล้วมันก็จะดับสนิทมันก็จะไม่มันก็จะไม่ติดมันไม่ลุกขึ้นมาอีกมีกี่กองเราก็ดับมันไปเรื่อยๆดับไปจนกระทั่งไม่มีหลงเหลืออยู่ เมื่อไม่มีไฟแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดับอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วการปฏิบัติก็ถึงจุดสิ้นสุดลงงานในพรหมจรรย์นี้ก็ได้ถึงที่สิ้นสุด<ม>อุสิตังบรมจาริยังกิจในพรหมจรรย์ได้มาถึงจุดที่สิ้นสุดแล้ว ไม่มีกิจอันใดที่จะต้องทำอีกต่อไปเพราะเมื่อไม่มีความทุกข์แล้วใจก็จะมีแต่ความสุขไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์จึงไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขเพราะความสุขที่ได้จากการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้วิเศษกว่าความสุขทั้งปวงและเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดอนันตกาล นี่คือความสุขของพระนิพพานนิบบานังปรมังสุขขังที่อยู่คู่กับพระไทยของพระพุทธเจ้าในขณะนี้และตลอดไปที่อยู่คู่กับใจของพระอาลัยตสาวกทั้งหลายอยู่คู่กับครูบ า, าจารย์ต่างๆที่เราเคารพกราบว่าดูชาความสุขเหล่านี้อยู่ในพระทยอยู่ในใจของท่านเหล่านี้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดลง และจะอยู่คู่กับใจของเราเช่นเดียวกันถ้าเราสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็คือทำทานรักษาศีลภาวนาทำใจให้สงบแล้วก็เจริญปัญญาทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเราทำได้ทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ความดับของความทุกข์ก็จะดับอย่างบริบูรณ์การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกยิดก็จะสิ้นสุดอย่างบริบูรณ์ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นเมื่อไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขคือนิพพานังปรมังสุขขังไปตลอดอนันตการ การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรในลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถาม อ, อยากจะถามขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะว่าหลังจากที่เราเลิมประชุมแล้วก็ขอยุติเพื่อจะได้พักผ่อนหลับนอนถ้าอยากจะถามก็ถามตอนนี้ได้เลยไม่งั้นเดียวยาวยืดไปถึงเงยน็นงะนถ้าใครอยากจะถามก็ขึ้นมาถามข้างบนหรือจะส่งข้อความมาทาง Facebook Live ก็ได้มีถ่ายทอดสดในเ c e b o o k ชื่อพระอาจารย์สุชาติกดเข้าไปแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาเดี๋ยวจะมีการอ่าน จากผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้มีคําถามฝากมาก็จะให้พิธีกรนํามาถามคําถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งกราบเรียนถามพระอาจารย์ถึงการกําจัดกิเลสความอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวต่างๆภายนอกใจของมนุษย์นั้นควรทําอย่างไรทั้งที่เรื่องราวบางอย่างไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา ก็พิจารณาดูผลที่จะได้รับจากการที่เราไปเรียนรู้ว่ามันได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็อย่าไปเรียนรู้เลยให้เสียเวลาให้มาเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าสิ่งที่ประโยชน์นี่ก็หมายถึงประโยชน์แก่จิตใจคือทำให้ใจเราสุขทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่าง ก็มีสิ่งเดียวในโลกนี้เท่านั้นที่จะทําให้เราสุขใจที่จะดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ก็คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องอย่างอื่นที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะสามารถให้เราหาเงินทองได้เป็นร้อยล้านพันล้านมันก็ไม่มีคุณมีประโยชน์อะไรกับจิตใจเพราะมันไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจ ไม่สามารถมายุติการเวียนว่ายตายเกิดของใจได้ดังนั้นมีสิ่งเดียวในโลกที่นั้นที่เราควรที่จะฝ่รู้อยากรู้อยากเห็นอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่าความยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงให้เรายินดีในธรรมเพียงอย่างเดียวเพราะธรรมนี่แหละที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไป ข้อที่สองในบางครั้งเคยกําหนดความรู้สึกว่าเราได้ตายไปทุกสิ่งทุกอย่างของเราไม่มีแล้วเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยแม้ปัญหาต่างๆก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามวิบากกรรมของผู้ยังมีชีวิตอยู่ใจจะคลายความว่างสงบลงแต่พอกลับมาสู่โลกความจริงเราก็มักจะหลงคิดเรื่องราวต่างๆอีก เหเพราะกําลังสติเราไม่พอใช่ไหมคะลูกคงต้องพยายามฝึกสติจเจริญสมาธิให้แน่นหนามั่นคงต่อไปอีกมากใช่ไหมคะก็ต้องมีสติคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆคิดว่าเราตายไปแล้วเราเป็นเหมือนดวงวิญญาณที่มารับรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดรอบตัวเราแต่เราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่ไปวุ่นวายไม่ไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ ท, ท, ที่เกิดขึ้นเราเพียงแต่เป็นผู้รับรู้ผู้เห็นเท่านั้นคําถามจากคุณไทยรัตน์ข้อที่หนึ่งรู้ปัญหารู้วิธีแก้ไขแต่ไม่สามารถทําได้เพราะอะไรคะเพราะไม่มีกําลังที่จะทําำเหมือนกับคนที่รู้ว่าวิ่งร้อยวิ่งมาลาทอนวิ่งอย่างไรระยะทางเท่าไหร่ วิ่งตรงจุดไหนไปถึงจุดไหนแต่พอออกวิง่งวิ่งได้แค่ครึ่งกิโลก็หมดแรงเพราะยังไม่ได้สร้างกำลังขึ้นมาก็ต้องหัดสร้างกำลังขึ้นมาด้วยการหัดวิ่งบ่อยๆวิ่งทุกวันวิ่งวัน ล, ละนิดวัน ล, ละน้อยแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากครึ่งกิโลก็เป็นกิโลหนึ่งจากกิโลหนึ่งก็เป็นสองกิโลก็จะมีกาลังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ก็เหมือนอย่างที่พูดให้ฟังนี้แหละการที่เราจะเข้าสู่การพรมดาได้เนี่ยเราต้องมีกำลังรักษาสีลแปดให้ได้ถ้าเรายัางไม่มีกำลังรักษาสีลแปดเราก็ต้องรักมีกำลังรักษาสีลห้าให้ได้ถ้ายัางไม่มีกำลังรักษาสีลห้าก็ต้องมาสร้างกำลังด้วยการทำบุญทาทานก่อนหยุดการหาหยุดการใช้เงินไปตามความอยากต่างๆก่อนเราจะทาให้เรามีกาลังที่จะ ทำบุญทำทานแล้วก็มีกำลังที่จะไม่ทําบาปได้ตอนนี้ที่เรายังทําบาปอยู่เพราะเรายังอยากจะใช้เงินอยู่ยังอยากหาเงินกันอยู่ก็เลยทำให้เราไม่สามารถาหยุดการกระทําบาปได้แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินแล้วเราก็จะหยุดการทําบาปได้เังนั้นเราต้องทําจากจุดที่เรายังทาไม่ได้ขึ้นไปก่อน ไม่ใช่ไปทำในจุดที่ยากเลยเช่นไปภาวนาเลยไปหยุดความคิดเลยอย่างนี้มันไม่มีกําลังที่จะทำได้ถึงแม้รู้ว่าฟังเทศกี่ร้อยครั้งพันครั้งก็รู้วิธีทำแต่พอถึงเวลาทำจริงๆทำไม่ได้ข้อที่สองการที่เรารู้ว่ามันต้องชดใช้เราควรฝึกจิตให้ยอมรับหรือเดินออกจากสิ่งที่รู้ว่าต้องเกิดความทุกข์กับเราแน่ๆคะ ก็แล้วแต่ว่าเราออกได้หรือไม่ได้ออาได้ก็ออกไปเอาอไม่ได้ก็ต้องทําใจข้อที่สามจิตของเรามีจิตเดียวแต่ทําไมเรารู้สึกว่ามีจิตดีกับไม่ดีคือจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลเราต้องฝึกจิตเราอย่างไรดีคะที่ไม่ให้จิตที่เป็นอกุศลเข้ามามีอํานาจเหนือความดีคะ่ะก็ต้องหยุดอกุศลต่างๆนั่นเอง สิ่งที่จะหยุดได้ก็คือสติปัญญาก็ต้องสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาเมื่อมีสติมีปัญญาเวลาเกิดอกุศลเราก็จะหยุดมันได้คำถามจากคุณเอกคุณเมื่อเราปฏิบัติอาณาปานาสติจนเกิดสภาวะตัวรู้เกิดขึ้นแล้วเราจะเจริญวิปัสสนาต่ออย่างไรบางครั้งนั่งหลับตาลมหายใจก็มาเลยแล้วก็เงียบครับ เวลาจเจรณนน า, นาปานสติจนถึงตัวรู้แล้วก็ให้อยู่ตรงนั้นอย่าไปทำอะไรยังไม่ใช่เวลาจเจริญวิปัสสนารอให้ออกจากสมาธิก่อนรอให้มาคิดปรุงแต่งมาพบกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ใช้วิปัสสนามมาต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เราไปเจอเห็นอะไรก็พิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา เพื่อเราจะได้ปล่อยวางไม่อยากได้ถ้าเราไม่มีวิปัสสนาเราเห็นอะไรเราก็จะอยากได้พออยากได้ก็เกิดความทุกข์เพราะต้องไปดิ้นนนหามันหามาได้ก็ต้องทุกกับการดูแลรักษาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเวลาที่มันจากเราไปแต่ถ้าเรามีวิปัสสนามีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เราก็หยุดตอนที่มันอยากพอมันอยากเราบอกไม่เอาดีกว่า เอามาทำไมเอามาแล้วทุกอยู่กาจะได้มาก็เหนื่อยไปหามาพอได้มาแล้วก็ต้องเหนื่อยกับการดูแลรักษาแล้วพอมันหมดมันจากเราไปก็ทุกข์อีกนี่คือวิปัสสนาให้ใช้ในขณะที่เราออกจากสมาธิมาแล้วในขณะที่กิจอยู่ในสมาธิอยากไปทำอะไรพยายามประครับประคองให้มันอยู่ให้นานเพราะมันจะทำให้เรามีกําลังที่จะหยุดความอยากได้ คำถามจากคุณขันติพงศ์เวลานั่งสมาธิจิตยังไม่สงบแต่กลับยกธรรมขึ้นพิจารณาแต่ไม่สามารถ พ, ารพิจารณาได้อย่างแยบคายเพราะอินทรีย์ไม่พอจะแก้ไขยอย่างไรครับก็อย่ายกมันขึ้นมาสิก็ให้ดูลมต่อไปให้พุทโธต่อไปให้มันนิ่งนานๆให้มันสงบนานๆให้มันเป็นอุเบกขานานๆก่อน แล้วลอให้มันออกมาแล้วค่อยยกมันขึ้นมาพิ จ, จนาคําคถามจากคุณชัยะประภาข้อที่หนึ่งเวลานั่งสมาธิโยมรู้สึกเครียดแน่นหน้าอกปวดศรีรษะทําให้กําหนดอะไรไม่ค่อยได้โยมควรจะวางใจอย่างไรดีคะถ้ายังนั่งสมาธิไม่ได้ก็ให้นั่งสวดมนต์ไปก่อนเพราะใจยังฟุ้งมากแล้วพอจะนั่งพอจะหยุดฟุ้งมันก็เครียดขึ้นมา แทนที่จะพุโทโธหรือดูลมไปก็สวดมนต์ไปก่อนหรือฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้เปิดธรรมะนั่งฟังธรรมะไปให้ธรรมะกล่อมใจพอใจหายฟุ้งแล้วทีนี้ก็ปิดธรรมะหยุดสวดมนต์แล้วก็ดูลมหายใจต่อไปข้อที่สองการเจริญสติในชีวิตประจําวันรู้สึกทําได้ยากมากเลยค่ะโยมควรเริ่มต้นอย่างไรดีคะ ก็เริ่มต้นตอนที่ตื่นขึ้นมาพอเืิดตาขึ้นมาก็ให้ท่องพุทโธไปอย่าหยุดท่องพุทโธไม่ว่ากำลังจะทำอะไรอาบน้ำก็พุทโธไปล้างหน้าก็พุทโธไปแปรงฟันก็พุทโธไปหวีผ้าหวีผมก็พุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุทโธไปจะหยุดพุทโธเฉพาะช่วงที่ต้องใช้ความคิดที่จาเป็นเท่านั้นเช่นเวลาทางานต้องบวกลบคูณหารก็หยุดพุทโธแล้วก็ดู ความคิดเกิดที่เกี่ยวกับการทำงานแทนพุทโธไปพอเสร็จจากงานแล้วไม่ต้องคิดเรื่องงานก็กลับมาพุทโธต่ออย่าปล่อยให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงการห า, ราลาภยศสรรเสริญเพราะจะทำให้เกิดปัญหาความอยากแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจตามมาขอ้อที่สมเราจะสามารถปล่อยวางปัญหาความทุกข์ได้อย่างไรคะ ก็เหมือนวูเขาเราปล่อยมันไว้เราอย่าไปแบกมันมันก็ไม่หนักใช่ไหมรถยนต์นี่มันหนักไหมถ้าเราไม่ไปแบกมันเราไปแบกมันดูเลยเราไปยกมันดูก็อย่าไปยกมันเท่านั้นก็ปล่อยวางมันรถยนต์ก็ปล่อยรถยนต์ให้มันอยู่ของมันคนก็อย่าไปแบกเขาเขาจะดีเขาจะชั่วก็เรื่องของเขาแล้วอย่าไปแบกเขาสมบัติเข้าของก็อย่าไปแบกมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไป ร่างกายของเราก็อย่าไปแบกมันจะตายก็ปล่อยมันตายเราไปห้ามมันได้ที่ไหนถ้าเราไม่แบกแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ปล่อยวางได้แล้วเราจะนำธรรมะมาใช้กับชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างไม่รู้สึกแปลกแยกได้อย่างไรคะก็มีความเมตตาต่อกันมีความปรารถนาดีอยากให้คนอื่นเขามีความสุขอยากให้เขาไม่มีความทุกข์ เราทำอะไรก็มีความสุขได้ก็ทำไปทำอะไรช่วยบรรเทาความทุกข์ของเขาได้ก็ทำไปคำถามจากคุณช้างการพูดเล่นเหน็บแนมหยอกล้อจุดบกพร่องของผู้อื่นถือว่าผิดศีลหรือบาปไหมครับถ้าถือศีลที่สูงคือศีลศีลศีลปดเนี่ยเขาก็จะไม่พูดจาเพ้อเจอ้อไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคาหยาบ ไม่พูดปลดแต่ถ้าถือศีลธรรมดาก็ยังไม่ถือว่าบาปเช่นถือศีลห้านี้ก็ยัง ก, ก็ถือข้อเดียวก็คือการไม่พูดปดเท่านั้นเรื่องทำอยางเรื่องอะไรเหล่านี้ก็ยังไม่ได้มีอยู่ในศีลห้าแต่ถ้าขึ้นไปในศีลแปดเจริงศีลแปดมันก็มีก็ยังไม่มีมันอยู่ที่ศีลของของนักบวชมากกว่านักบวชนี่ที่พูดที่จะ เข้าสู่ทำขั้นสูงนี้จะไม่สนใจกับการพูดจาเพื่อจะพูดคำหยาพูดอะไรต่างๆที่ไม่ดีแล้วการพูดประชดประชันเพื่อเอาชนะหรือต้องการให้ผู้อื่นรู้สึกผิดผิดศีลหรือบาปไหมครับถ้าเป็นความจริงมันก็ไม่บาปนะถ้ายังพูดความจริงอยู่เพียงแต่ว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นความโกรธความเกลียด ที่เราควรที่จะระ ง, งับไม่ควรที่จะส่งเสริมเพราะจะทําให้เกิดการจองเวรจองกรรมกันขึ้นมาต่อไปแล้วการพูดที่ถูกต้องตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าควรพูดอย่างไรบ้างครับพูดเพื่อให้เกิดปัญญาพูดเพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นมีดวงตาเห็นธรรมคาถามจากคุณเบลเข้าชาญห้าเดินแล้วจะแยกยะ อย่างไรว่าจิตไม่มีหรือเป็นอากาศคล้ายกันมากแล้วที่เห็นตัวมีเส้นขอบคือฌานสี่หรือเปล่าคะตอนเดินแล้วฌานห้ามีตัวหายทั้งตัวไหมคะมเห็นอากาศอยู่รอบตัวเราตอนเดินคะ่ะไม่รู้เหมือนกันฌานสี่ฌานห้าเป็นยังไงคำถามจากคุณสระยุทธ์ข้อที่หนึ่งการเดินจงกรม สามารถทำให้จิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้หรือไม่ครับได้แต่ยากต้องไปเจอเสื อ, องนี้ถึงจะเข้าได้ข้อที่สองในขณะพิจารณาอสุภะถ้าจิตเกิดสลดในช่วงร่างกายเปื่อยเน่ามีแต่หนอนสามารถหยุดพิจารณาเพื่อทรงภาพนั้นเป็นนิมิตความสลดได้หรือไม่หรือต้องพิจารณาจนจบไม่เหลืออะไรเลยครับ ก็แล้วแต่อยากจะพิจารณาอย่างไรก็ได้เป้าหมายก็คือให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้ไม่ให้ยึดไม่ให้ติดกับร่างกายของเราหรือของคนอื่นก็ดีให้เห็นอนาคตของร่างกายของทุกคนว่าจะต้องกลายเป็นซากศพไปจะต้องเอาไปเผากลายเป็นขี้เถ้าขี่ฐานไปหรือเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไปเอาหดแล้ว่หมดแล้วก็เอาคำถามทางจากทาง Facebook ต่อไป ใครถามได้นะอย่ามาถามตอนที่เลิกประชุมนะที่เมื่อกี้ท่านบอกว่าการเดินจงกรมเข้าอัปปนาญานอกจากจะเจอเสือนี่เพราะอะไรล่ะครับท่านเพราะจิตยังต้องทํางานอยู่จิตยังต้องประครับประคองร่างกายจิตยังต้องทํางานแต่ท่านนั่งเฉยๆจิตก็ไม่ต้องประครับประคองร่างกายจิตก็จะเข้าได้เพราะการเข้าอัปปนาก็คือการปล่อยวางร่างกายนี้ อย่างนี้ขอโอกาสอีกทีนะครับ อ, อคือผมเนี่ยเป็นคนที่นั่งสมาธิแล้วคืออย่างที่เมื่อกี้เขาถามไปแล้วคือไม่เพ่งก็ก็คือฟุ้งไปเลยทีนี้ไม่ทราบว่าระหว่างการสวดมนต์จัดการเดินจงกรมเนี่ยอันไหนจะช่วยได้มากกว่ากันครับก็แล้วแต่เราเราต้องทดลองดูแต่ที่จะช่วยได้มากก็คือการมีสติก่อนมานั่งคือต้องมีพุโทโธทั้งวันอันนี้จะช่วยได้จริงๆที่มันนั่งกันไม่ได้ ไม่ได้ผลก็เพราะสติไม่มีกำลังพอเพราะเราฝึกมาน้อยสร้างมาน้อยถ้าอยากจะได้ผลไม่ว่าจะนั่งหรือจะเดินนี้ต้องเกิดจากการมีสติมาก่อนจะต้องฝึกพุทโธตั้งแต่ลืมตาขึ้นไปเลยต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามข้อแรกจากคุณออฟนะครับเวลานั่งสมาธิผมนับหนึ่งถึงร้อยในใจ แทนพุโทโธได้ไหมครับเพราะจิตจะนิ่งกว่าการกาหนดพุโทโธได้ถ้าทำให้จิตสงบวิธีไหนก็ได้นับหนึ่งถึงร้อยเรือรับจากน้อยมาหาหนึ่งก็ได้แล้วแต่อุบายของแต่ละคนคือเป้าหมายก็คือให้เราหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อจะได้หยุดตันหาความอยากพอไม่มีตันหาความอยากไม่มีความคิดมันก็จะนิ่งมันก็จะสงบคาถามจะคุณปะพัดนะครับ บุญที่ทำทางกับคนยากจนหรือสัตว์อุทิศให้ญาติที่ล่วงรับได้หรือไม่และต่างกับบุญที่ทำกับพระสงฆ์ที่อุทิศให้ญาติผู้ล่วงรับอย่างไรช่วยอธิบายและยกตัวอย่างประกอบด้วยครับบุญที่ทำกับใครนี้ก็ได้เหมือนกันคือความสุขใจที่เราได้เสียสละความสุขของเราประโยชน์ของเราให้แก่ผู้อื่นเช่นเราเบริจากเงินน้อยบาทนี้จะให้กับพระหรือ ไปซื้ออาหารให้สุนัข ก, กินมันก็ได้ความสุขเท่ากันที่ต่างกันตรงที่ว่าเราจะได้รับอะไรจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยเช่นเรามาทำบุญกับพระนอกจากที่เราได้บุญจากการเสียสละร้อยบาทแล้วเราได้ฟังธรรมเราก็ได้ธรรมะกลับไปเราก็ได้สองต่อได้ของแถมด้วยเหมือนกับเวลาไปเติมน้ามันรถแล้วเติมน้ามันแล้วยังมีของแถม ถ้าเราไปฟาร์มที่ไม่มีของแถมก็ได้แต่น้ำมันอย่างเดียวอันนี้ก็คือความต่างระหว่างการทำบุญกับบุคคลต่างๆก็จะได้ของแถมต่างกันทาบุญให้กับหมาเลี้ยงหมาก็หมามันก็จะเห่าเฝ้าบ้านให้เราไปทำบุญกับหมอหมอก็จะบอกวิธีรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้กับเราคุยกับเขาเขาก็จะพูดเรื่องการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บคุยกับ อาจารย์ในหมาหาอะไรเขาก็จะพูดเรื่องความรู้ต่างๆเั้นเราอันนี้เป็นของแถมที่เราจะได้จากบุคคลต่างๆไม่เหมือนกันแต่บุญที่เราได้จากการเสียสละนี้เหมือนกันแล้วอุทิศบุญนี้ได้เหมือนกันให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้เหมือนกันคำถามจากคุณวชิราพรนะครับตอนนี้แม่เป็นโรคเครียดมากๆลูกจะพาแม่ไปหาจิตแพทย์ แม่ก็ไม่ยอมไปจะพามาวัดก็ไม่มาแม่จมอยู่กับอดีตไม่ยอมวางพระอาจารย์ช่วยตอบลูกทีว่าลูกควรจะช่วยแม่อย่างไรดีเจ้าคะคือดทำใจให้เราสงบก่อนถ้าจารเราสงบแล้วเราก็จะช่วยแม่ได้ดีกว่าตอนที่เราทำอยู่ตอนนี้เพราะเราทำด้วยความอยากทําด้วยความเครียดก็ะไรไม่เหมาะกับแม่ ความจริงถ้าเราสงบแล้วเราก็อาจจะปล่อยให้แม่เครียดแม่ก็จะเครียดน้อยลงเพราะเราไม่ได้ไปคอยดึงคอยอยาคอยคอยบังคับให้เขาไปนู่นมานี่เขาก็จะเครียดน้อยลงที่เครียดมากก็เพราะเราไปอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วพอเขาไม่ทําเขาไม่อยากทําเขาก็เครียดเราก็เครียดเลยเครียดกันไปใหญ่ยิ่นต่างคนต่างมานั่งสมาธิ ด, ดีกว่าทําใจให้สงบ ให้แม่สวดมนต์ใบฟังเทศฟังธรรมไปเราก็สวดมนต์ไปฟังเทศฟังธรรมไ ป, เ, มไ ป, เ, ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพ อ, พอใจสงบแล้วก็ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางทุกอย่างได้ก็หายเครียดเองคำถามจากคุณทิพย์นะครับสติปักฐานสี่คืออะไรคะแล้วสามารถบรรลุนิพพานได้ไหมได้เป็นวิธีปฏิบัติสมาธิและปัญญาสติสมาธิปัญญาอยู่ในพระสูตร สติประธานสี่สติก็คือการฝึกใจให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้อยู่กับร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าร่างกายทําอะไรก็จดจ่ออยู่การเคลื่อนไหวกับการทํางานของร่างกายเรียกว่าเป็นการเจริญสติและเวลานั่งดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าเป็นการเจริญสมาธิและเวลาพิจารณาความเป็นจริงของร่างกายของเวทนาของจิต ก็เพื่อที่จะได้ปล่อยวางการยึดมั่นถือมั่นในร่างกายในเวทนาในจิตนะก็จะหลุดพ้นไปถึงพันธิผ่านได้นะคำถามจะคุณเตมีนะครับรักษาศีลห้าอย่างไรให้บริสุทธิ์ถึงพระโสดาปติมัติปฏิผลขอรับเพราะผมรักษาได้แค่กายวาจาและจิตพยศหม่นมองมากขอรับคือการจะไปถึง สโสดาบันไดไม่ใช่อยู่ที่เพียงแต่การรักษาสี่ห้าเท่านั้นมันต้องมีสมาธิมีปัญญาประกอบด้วยสมาธิคือจิตนิ่งแ น, แน่วแน่ปล่อยวางร่างกายได้ปัญญาก็เห็นโทษของการยึดติดในร่างกายว่าทําให้เป็นทุกข์เนี่ยถ้ามีอย่างนี้ก็จะบรรลุถึงเป็นการเป็นสโสดาบันได้คําถามจ้าคุณวีรศักนะครับประเภพณียะ อย่างพวกเราพวกเราจะติดสมาธิได้ง่ายหรือเปล่าครับการติดสมาธินี้เบื้องต้นไม่ไม่ถือว่าเป็นพิษเป็นภัยเป็นประโยชน์ดีกว่าไปติดดูละครดูหนังฟังเพลงถ้าจะติดให้ติดสมาธิดีกว่าขั้นขั้นที่ขั้นที่หนึ่งก่อนจะติดได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนนั้นอย่าไปกังวลเรื่องติดสมาธิเลยขอให้มันมีสมาธิก่อนเถอะขอให้มันได้สมาธิก่อนได้สมาธิแล้ว แล้วติดในสมาธิก็ให้ให้รู้ว่า อ, อ๋อตอนนี้เราติดแล้วถ้าติดแล้วเราก็จะได้มาแบ่งงานทำกันสมาธิก็ยังทำอยู่แต่ไม่ทำตลอดให้มาแบ่งเวลามาทำวิปัสสนาบ้างเวลาออกจากสมาธิก็ให้มาเจริญปัญญามาพิจารณาตายรากบ้างไม่ใช่ออกมาก็พุโทโธพุโทโธอย่างเดียว ตอนต้นนี้ต้องพุทธัวพุทธอย่างเดียวเพื่อที่จะให้ใจสงบให้เป็นสมาธิแต่พอเราชำนาญการเข้าออกในสมาธิแล้วต่อมาเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็ควรที่จะพิจารณาตายรักบางพิจารณานี้จังทุกขังอนัตตาก็จะทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วไม่ติดในสมาธิคำว่าติดก็คือไม่ก้าวหน้าไปมากไปกว่าขั้นสมาธิคำวมติดนี้ไม่ใช่แบบว่าติดยึบแบบยาเสพติดใช่ไห ติดเพราะว่าไม่ปฏิบัติธรรมที่สูงกว่าเหมือนคนที่ติดมหกเนี่ยจบมหกแล้วก็ไม่เรียนไม่เข้ามาหาหลัยมันก็ติดอยู่ที่มหกเท่านั้นจบแค่มหกถ้าอยากจะได้ปิญญามันก็ต้องไปเอนทานต่อไปสอบเอนทานไปเรียนต่อถ้าอยากจะหลุดพ้นก็ต้องขึ้นไปสู่ขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาถึงจะหลุดพ้นได้คำถามจากคุณบุญเยวีนะครับ การฟังธรรมเป็นการนั่งสมาธิอย่างหนึ่งได้ไหมคะได้ถ้าเราใจเราจดจ่อยอยู่กับเสียงธรรมที่เราฟังอย่าไปดูลมหายใจอย่าไปพุทโธเวลาฟังธรรมให้เอาเสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนพุทโธอารมณ์แทนลมหายใจเข้าออกเพราะถ้าใช้ทั้งพุทโธใช้ทั้งการฟังธรรมมันชนกันมันก็จะทําให้ไม่สงบเอาอย่างเดียวอย่างได้อย่างหนึง่ง ถ้าจยาเอาลมก็ปิดเสียงธรรมไปนั่งคนเดียวนั่งในที่เยียมเียดูลมไปหรือพุทโธไปคำถามจะคุณเล็กจันนะครับเมื่อปฏิบัติมาถึงสภาวะที่จิตเริ่มมีสติเริ่มระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะรู้สึกอยู่ที่กายเคลื่อนไหวมองสิ่งต่างๆหรือทำงานใดๆก็รู้แต่รู้แล้ววางไม่มีความคิดมาวุ่นวาย รู้เฉยๆเห็นสิ่งต่างๆก็รู้แต่ภายในมันไม่มีความคิดมาวุ่นวายเหมือนก่อนมีแต่กลับมารู้ที่กายและปัจจุบันมีเผลอไปบ้างหรือคิดไปบ้างเมื่อทำการงานแต่ก็จะกลับมารู้ที่ปัจจุบันสิ่งต่างๆไม่เข้ามาในจิตใจรู้เห็นแล้ววางควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับ ก็มีเวลาว่างก็ให้นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมอย่างเดียวหรือพุโทโธอย่างเดียวจิตจะได้เป็นสมาธิได้ตอนนี้จิตเพียงมีแต่สติแต่ยังไม่เป็นสมาธิเพราะจิตยังไม่นิ่งยังไม่สงบเต็มที่อยากจะให้นิ่งให้สงบเต็มที่ั่างกายต้องนิ่งก่อนต้องนั่งเฉยๆแล้วก็มีสติควบคุมความคิดให้หยุดอย่างถาวรอย่างเต็มที่เพราะเวลาทางานนี้ยังต้องใช้ความคิดอยู่ คิดอยู่กับการทํางานถึง แ, แม้ไม่คิดกับเรื่องอื่นแต่ก็ยังคิดอยู่ยิ่นถ้าต้องการหยุดความคิดอย่างเต็มร้อยก็ต้องนั่งเฉยๆห้หลับตาแล้วก็มีสติจดจ่ออ ย, อยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจิตก็จะหยุดอย่างเต็มที่จิตจะรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิขึ้นมาคําถามจากคุณเสถียรพงษ์ ระบบโลกผิดเพี้ยนใหม่ขอรับทำไมคนถึงได้เผชิญหน้ากับความทุกข์เหลือเกินโลกสรให้ผู้คนเสพกันอยากปงปล่อยวางตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระอาจารย์สุชาติควรเริ่มต้นอย่างไรครับก็เริ่มต้นปล่อยในสิ่งที่เราไม่ปล่อยได้ก่อนนะมีอะไรที่เราปล่อยได้ก็หัดปล่อยไปสูบบุรีอยู่ถ้าเลิกบุรีได้ก็เลิกไป เดือมโซาได้เลิกได้ก็เลิกไปเอเที่ยวได้เลิกเที่ยวได้ก็เลิกไป เ, เลิกไปเรื่อยๆในสิ่งที่ไม่จําเป็นให้ลดเหลืออยู่เพียงแต่ปัจจัยสี่ก็พอเออยียงอื่นไม่จําเป็นทั้งนั้นไม่ต้องมีก็กอยู่ได้คําถามจากคุณบุญเกียรตินะครับจะทําอย่างไรดีครับคนใกล้ชิดเราร้ายกับเราแต่กับคนอื่นทําดีแสนดี ให้เราแผเา่เมตตาเมตตานี้จะเป็นสิ่งที่จะชนะผู้อื่นได้การจชนะผู้อื่นชนะใจผู้อื่นต้องชนะด้วยความเมตต า, างั้นเราก็ทําความเมตตาไปได้เรื่อยเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็รักเราเองเดี๋ยวเขาก็เมตตากับเราเองคําถามจะคุณวาสนานะครับ mm. การสวดมนต์ทำวัดเป็นหมู่คณะถ้าคณะเขาไม่ค่อยสํารวม พระอาจารย์บอกว่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วถ้าเราสำรวมสงบไม่ยุ่งกับเขาเราจะเกิดประโยชน์กับเราไหมคะถ้าเราสำรวมเราก็สงบเนี่ยเราก็เราก็ได้ประโยชน์ประโยชน์อยู่ที่การสำรวมกายวาจาใจถ้ากายวาจาสงบใจสงบใจก็เป็นสมาธิก็เป็นสุขแต่การจะสงบได้นี่มันต้องอยู่คนเดียว เพราะถ้าอยู่ร่วมกันหลายคนมันก็ใจมันยังมันมีไปรับกานรับรู้เรื่องการกระทําของคนอื่นมันก็ที่อดอดที่จะคิดบุงแต่งไม่ได้มันก็เลยทําให้ไม่สงบยงั้นวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนี้ต้องปลีกวิเว้ต้องปฏิบัติตามลําพังที่มารวมกลุ่มกันก็เพ้าว่าเป็นช่วงที่เรายังต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างไร พอเรารู้จักวิธีปฏิบัติแล้วเราควรที่จะแยกกันไปตามที่พักของเราไปอยู่คนเดียวไปทำคนเดียวถึงจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงคำถามจากคุณปอมนะครับขอให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาตอบด้วยเพราะที่ผ่านมาเข้าใจมาตลอดว่าคนที่เกิดมาร่ำรวยแตกต่างกันเพราะการทำบุญ ทานศีลคือการร่ำรวยนี้มันมีหลายเหตุหลายวิธีด้วยกันส่วนอันนึงก็เกิดจากบุญเก่าที่เราทำไว้ถ้าเราทำบุญไว้เรากลับมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของผลบุญเก่าที่เราเคยทาไว้แต่ถ้าเราเกิดมายากจนแต่เรามีความขยันหมั่นเพียรมีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาแล้วก็ทำมาหากินแล้วร่ารวยขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเหตุอีกเหตุหนึ่ง และเหตุเด็เหตุหนึ่งที่จะทําให้เราล่าํารวยได้ก็คือเราพ้นเราจี้เราคอรับชั้นเราก็ล่ำรวยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการล่าํารวยนี่มันมีเหตุหลายเหตุด้วยกันแต่เหตุที่เกิดจากการทําบุญทําทานในอดีตก็คือมันเป็นเหมือนส้มหลน่นเงี้ยอยู่ดีๆมันก็มาเองเราไม่ต้องไปดิ้นรนไปหามันถึงเวลามันก็โผล่ขึ้นมาอยู่ดีๆมันก็มาอย่างเงี้ย เช่นไปซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวก็ถูกรางวัลที่หนึ่งซื้อครั้งเดียวหนเดียวอะอะไอย่างเงี้ยเรียกว่าบุญหล่นส้มหล่นทับเนี่ยแต่ถ้าพยายามซื้อเป็นร้อยใบยพันใบนี้มันก็อันนี้มันก็เป็นการแสวงหาไม่ใช่เป็นพรสวรรค์เป็นพรแสวงดังการหาสิ่งต่างๆมันก็ได้หาได้หลายทางได้จากพรสวรรค์ก็คือบุญเก่าและได้จากพรแสวงก็คือความพยายามที่จะ หาสิ่งต่างๆที่ตนเองอยากได้ดฉงนั้นการที่จะได้อะไรมานี้มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันการที่มีศีลก็จะทําให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาใช้เวรใช้กรรมในอบายตายไปเพื่อเพกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้เลยหรือถ้าทําบุญด้วยก็ไปเที่ยวในสวรรค์ก่อนแล้วกลับมาก็มารับเงินทองที่เราได้ทําบุญไว้ที่เราเก็บไว้ในธนาคารบุญพอมาเกิดก็จะมีเงินรอเราอยู่ เกิดกับครอบครัวที่มีฐานะดีตามตามกำลังของบุญที่เราทำถ้าทำมากก็ได้เกิดกับครอบครัวที่ร่ำรวยมากถ้าทำน้อยก็เกิดกับครอบครัวที่ร่ำรวยน้อยถ้าไม่ทำเลยก็กลับมาเป็นขอทานมาเริ่มต้นที่สูงคำถามจากคุณนกนะครับทำอะไรหลายอย่างในคราวเดียวกันจนชิน มือทำอย่างหนึ่งปากพูดอย่างหนึ่งใจก็คิดอีกเรื่องหนึ่งมัลติแทสกิ้งมากค่ะทีนี้เวลาสวดมนต์แม้สวดดังๆหรือเวลาทำสมาธิบริกรรมพุทโธหรือกำหนดลมหายใจใจเผลอไปคิดเรื่องอื่นได้เป็นเรื่องเป็นราวยาวเลยค่ะแม้ปากยังสวดมนต์เสียงดังได้อยู่บางทีคิดจนสวดจบไปได้หลายบทพอรู้ตัว ใจกลับมาเดี๋ยวก็คิดอีกดิฉันจะทำอย่างไรดีไม่ให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นคะจะมีอุบายหรือวิธีใดบ้างหรือเปล่าคะก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่มากลับมาคิดเพียงเรื่องเดียวทาเรื่องเดียวเหมือนกับเราเคยใช้มือขวา่เราตอนนี้มือขวามันเสียหรือเราเห็นว่าการใช้มือขวาซึ่การใช้มือซ้ายไม่ได้เราก็มาหัดใช้มือซ้าย เริ่มต้นหัดใช้มือซ้ายใหม่ๆมันก็จะยากเพราะเราไม่เคยใช้มันมามันก็ไม่ชำนาญแต่ถ้าเราพยายามหัดใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะชำนาญเองเช่นคนที่เขาพิการมือมือที่เขาเคยใช้เกิดพิการไปขาดไปเขาก็ต้องมาหัดใช้มือที่เขาไม่เคยใช้เรเกาใช้ไปเรื่อยๆต่อไปเขาก็ชำนาญเขาก็ใช้ได้เหมือนกับมือเดิมฉันในการที่ใจเรากระจายไปหลายเรื่องในขณะเดียวกันนี้เราก็สามารถ ดึงให้มันกลับมาอยู่กับเรื่องเดียวได้แต่ช่วงเริ่มต้นนี้มันจะยากเพราะมันจะสู้กันมันจะกลับไปหาเรื่องเดิมด้วยมันจะกลับไปทำอะไรหลายเรื่องพร้อมกันเราก็ต้องพยายามบังคับให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นที่สอนบอกให้เล็งตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปให้อยู่กับพุทโธแล้วก็ทำงานที่เรากำลังทำอยู่ไปอตอนต้นก็อาจจะอยู่ อยู่สองเรื่องอยู่พุทธโธกับอยู่งานที่เราทำต่อไปมีสติมากก็ไม่ต้องใช้พุทธโธก็ได้ได้ใช้ดูงานที่เรากำลังทำอยู่เพียงเรื่องเดียวคำถามจากคุณมิสซิ่งนะครับนั่งสมาธิอย่างไรให้เห็นอนาคตคะออไม่ต้องนั่งก็เห็นแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ยอมมองเองจอไปมองอนาคตที่ไม่มีกัน ว่าจะร่ำรวยหรือเปล่าจะมีแฟนสวยงามหล่อเหลาหรือเปล่าอนาคตปลอมไม่ไม่ยอมมองอนาคตจริงกันชอบไปมองอนาคตปลอมอนาคตที่เป็นความเพอ้อฝันนี่เองเห็นถ้าอยากจะมองอนาคตมันเห็นอยู่กับมันมีอยู่ให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้มองอยู่ตลอดเวลาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดานั่นนี่แหละคืออนาคตที่แท้จริงของพวกเรา ไม่มองกันชอบไปมองอนาคตต่อเหมือนกันแล้วก็มาเสียใจผิดหวังเพราะมันไม่ได้เป็นตามที่เราอยากให้มันเป็นมันไปเป็นมันมันชอบไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่เรื่อยคำถามจากคุณวิทวัตนะครับเวลาเมื่อจิตนิ่งแล้วจะทำอย่างไรต่อครับก็ให้มันนิ่งต่อไปรักษาความนิ่งให้นานที่สุดเพราะความนิ่งนี้จะเป็นพลังของจิตที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้เวลาที่เรา เจอความอยากแล้วเราก็ใช้ปัญญาบอกว่านี่เป็นโทษเป็นภัยอย่าไปทำถ้าเราไม่มีความนิ่งเราก็จะหยุดมันไม่ได้ถ้าเรามีความนิ่งเราก็จะหยุดมันได้ข้อสองเมื่อผมเห็นคนสวยแล้วผมจะรักเขาผมจะพิจารณาอาสุภะเพื่อให้จิตไม่นึกถึงเขาได้ไหมครับได้ถ้าพิจารณาได้ก็ดีกลัวพิจารณาไม่ได้ <laughs> คำถามจากคุณบ่าววีนะครับเวลาใส่บาทผมชอบอธิษฐานให้ถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระอริยะเพื่อเป็นดอกไม้พุทธบูชาผมทำถูกหรือเปล่าครับช่วยแนะนำหน่อยครับคือการกระทำแต่ละอย่างมันมีผลของมันในตัวไม่ได้อยู่ที่ว่าเราขอเหมือนเราฝากเงินร้อยบาทเราขอให้ได้ดอกเบีย้ยสองพันบาทนี่มันไม่มีวันที่จะได้หรอฝากเงินร้อยบาทมันก็ได้ดอกเบี้ยร้อยหนึ่งก็ บวกเข้าไปอีกบาทหนึ่งดังนั้นเวลาทำอะไรแล้วมันมีเหตุมีผลของมันอยู่ในตัวเราไม่ต้องไปขอการอธิษฐานนี้ไม่ได้ในทางาศาสนานี้ไม่ได้หมายคาว่าขอหมายคําว่าให้ทําำเช่นเวลาเราทําบุญนี่เราควรจะขออธิษฐานว่าขอให้ทำไปเรื่อยๆจนวันตายอย่างเงี้ยเรียกว่าอธิษฐานเราจะได้ผลจากการทําบุญไม่ใช่ทําบุญหนเดียวแล้วขอให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีหรือไปถึงพระ น, นิพพาน มันเป็นไปไม่ได้เองั้นจะขอขอที่เหตุอย่าไปขอที่ผลออธิษฐานนี้เป็นการตั้งใจตั้งเป้าว่าเราจะทําอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเราถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่ได้ทําะนันวันนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี่เราก็จะไม่ได้มาแเราต้องตั้งใจเราถึงจะมาที่นี่ได้คําถามจะคุณเอก ขบ๊อทนะครับอ่อานได้ออร่าไม่อะไรครับการปฏิบัติให้จิตสงบและมีกําลังแบบที่พระอาจารย์สอนนั้นจําเป็นไหมครับว่าต้องให้ความสําคัญกับฌานขั้นต่างๆเไม่ต้องสําคัญอะมันถึงฌานมันมันมันสงบมันก็ถึงขั้นของมันเองตัวที่สําคัญก็คือสติมากกว่าถ้ามีสติแล้วเดี๋ยวมันก็ไปถึงขั้นต่างๆของมันเองเหมือนการกินข้าวเนี่ย ไม่ต้องไปสนใจว่าอิ่มขั้นไหนแล้วกินมันไปเรื่อยๆกินกันทั่งกินไม่ลงนี่แหละมันก็รู้ว่ามันอิ่มเต็มที่แล้วละอคําถามจากคุณบุญยวีนะครับการที่เราเอาเงินของสามีไปใช้ในครอบครัวโดยที่สามีไม่รู้ถือว่าผิดศีลข้อสองหรือเปล่าก็แล้วแต่ว่าเราตกลงกันไว้อย่างไรถ้าถือว่าเป็นสมบัติร่วมกันใครเอาไปใช้อะไรได้ก็ไม่ผิด แต่ถ้าไม่ได้ตกลงกันหรือมีข้อแม้ว่าใครจะเอาไปใช้อะไรต้องขออนุญาตก่อนอันนี้ก็ถือว่าผิดศีลเหมือนกันคำถามจากคุณสิณีนะครับขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำด้วยค่ะการดำเนินโสดาปติมัคศีนหต้องเป็นปกติและมีสติตลอดเวลาเพื่อให้ได้สมาธิเพื่อให้ได้อุเบกขาและออกจากสมาธิมาพิจารณาอสุภะหรือมรณนานุสติ เพื่อทิ้งกายให้ได้ใช่ไหมคะแล้วการจะละวิจิกิจฉาคือไม่สงสัยในพระรัตนไตายจะมาเองตอนที่ได้โสดาผลใช่ไหมคะแต่มันละสกายทิฏฐิได้มันก็จะมีดวงตาเห็นธรรม เ, เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเห็นอริยสัจสี่ก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคําสอนมีจริงพระอริยสงสาวกมีจริง แล้วก็จะละสีละพระตาคือการบำเพ็ญพจน์ต่างๆที่ไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงวิธีที่แก้ปัญหาที่แท้จริงก็คือละตัณหาความอยากตัวที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาความทุกข์ต่างๆขึ้นมาก็จะละสามตัวได้พร้อมๆกันมันมาเป็นพวงขอให้ละตัวแรกตัวเดียวนี้อีกสองตัวมันก็จะละได้ตามตามไปเป็นผลตามมา ละสิละสกายาทิฏฐิปล่อยวางร่างกายให้เหมือนกับเราปล่อยวางร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นจะเป็นจะตายเราไม่ทุกข์อย่างไรร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราทําได้เราก็เราก็จะเห็นว่าที่เราทุกข์เพราะเราอยากเราหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราพอเราเห็นว่าไม่เป็นตัวเราของเราเราก็ปล่อยพอเราปล่อยเราก็ไม่ทุกข์เราไม่มีความอยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราก็ไม่ทุกข์เราก็จะเห็นอริยสัจ ส, สีว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของเราเองและการดับทุกข์ก็คือการหยุดความอยากนี่คําถามจะคุณวัดนะครับกระผมนั่งสมาธิมาสักระยะหนึ่งยังอยู่แค่ตัวโยกตัวโอนขนลุกขนพองสู้กับเวทนาบางครั้งก็ผ่านบางครั้งก็ต้องยอมขยับถึงยังไม่ถึงขั้นลงลึก ถึงขั้นตกหลุมตกบ่อขอพระอาจารย์เมตตาช่วยแนะนำสติยังกำลังไม่พอก็ฝึกสติไปให้มากๆเวลาก่อนมานั่งพยายามให้มีสติอยู่เรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆอย่าคิดฟุ้งซ่านอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับพุทโธไปแล้วเวลานั่งมันจะมีกำลังที่จะทำให้จิตสงบก่อนที่มันจะฟุ้งก่อนที่มันจะเจ็บ คำถามจะคุณนัทกรนะครับทําสมาธิกําหนดพุทโธไปพร้อมกับลมหายใจเข้าออกหรือไม่ครับการทําสมาธิก็คือการดูลมหายใจเข้าออกนีไงไง่การดูลมหายใจเข้าออกเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิก็คือ ค, อความสงบเหมือนการกินข้าวนี่เป็นเหตุความอิ่มนี่เป็นผลคําถามจะคุณนบนะครับ ก็ผมไม่แน่ใจครับว่าพระอริยะแต่ละองค์ที่ไม่ใช่พระอรหันนะครับคือมีหรือเปล่าครับที่เป็นพระอริยะขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ตัวจะเป็นพระอริยะได้ไงพระอริยะเป็นผู้รู้งั้นท่านรู้ทำ่มท่านยังไม่รู้ท่านก็ศึกษาท่านก็รู้ท่านก็ดูแผนที่แผนที่มันก็บอก เดินทางมาถึงชนบรุรีจะไม่รู้ไงว่าถึงชนบรุรีเนี่ยมันรู้คนที่ปฏิบัติเขารู้กันเพียงแต่เขาไม่บอกเทนั้นเองเขาไม่พูดเท่านั้นเองเพราะเขาไม่อยากจะยุ่งกับคนที่จะมาคอยวุ่นวายกับท่านอยู่แบบไม่มีใครรู้ดีกว่าพอคนรู้เร้่คนมันก็มาตอเหมือนมลแรงวัน <laughs> คำถามเป็นคำถามสุดท้ายดีไหมครับอาจารย์รว่างั้นจากคุณ จ, จากจากระพบนะครับเอาอินเทนหน่อยนะครับคำถามนี้นะครับจะทําอย่างไรให้คนที่ติดเกมโปกเกมอนมาสนใจธรรมะครับโอ้ยมันยากยิ่งกว่ายกภูเขาเห็นนะไหมไยเขาเถิดเขาเดี๋ยวถึงเวลาเขาเบื่อเขาก็มาเองอ่ะตอนนี้เขากําลังเมาอยู่อย่าไปอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเออ